เอาออกจากบาดเสียถ้ามันเหลือกินถ้ามีกระโทนก็เทใส่กระโถนด้วยความครบแล้วเอาออกจากบาดให้หมดอย่าไปเทจุนจ่านนะถ้ามีอนุปสัสมบันหรือเด็กก็ให้กดหลุมลึกๆ ล, ลงไปเทลงไปในหลุมอย่าให้มันสกรปรกอย่าให้มีกลิน่นที่มันกินไม่ได้ก็ฝังเสียไม่ฝังก็กลบอันใดที่จะกินได้